ันนี้คิดไม่ถึงว่าจะมีญาติโยมมาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะต้องใช้คำพูดว่าปฏิบัติธรรมะก็แล้วกันเพาราะว่ากันให้ทานก็ถือว่าปฏิบัติธรรมะการรักษาศีลก็ถือว่า ปฏิบัติธรรมะการนั่งสมาธิภาวนาก็ปฏิบัติธรรมะคิดไม่ถึงว่า <c oughs> จะพูดเรื่องอะไรจะเทศเรื่องอะไรเพราะว่าได้ทราบ ว่าสถานที่ตรงนี้เคยอาราธานานิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงพระธรรมเทศนาเดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งนั่นก็คือ สังและพระเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเข้าใจว่าพระคุณเจ้าว่าอาจารย์มหาเถระอาจารย์ยะ ก็คงจะพูดไปหมดทุกแง่ทุ ก, ทกมุมเพราะว่าเดือนละสองครั้งปีหนึ่งเท่าไหร่สิบสองเดือน <24 S 1> เดือนละสองครั้งสิบสองยี่ิบสี่ครั้งฟังกันจน อิ่มอกอิ่มใจแล้วเต็มอกเต็มใจอืมอาตมาก็เลยคิดว่าโอ้พูดอะไรไปก็คงจะเต็มหมดแล้วละโยมเต็มอยู่ในสมองเต็มอยู่ในใจเราพูดเพิ่มเข้าไปมันจะไม่ล้นออกไหลออกหรือจะไปนั่งทางน้มานั่งทางนี้สนทยา ว่างดูนี่มานั่งนี่ไม่ให้เบียดกันนั่งให้เป็นชิดสละเต็มที่ไม่ต้องบอกว่าเตรียมตัวนั่งสมาธิทำได้เลยอย่าเอาหัวเขาไปชนกันนะเดี๋ยว ทำลุกขึ้นมาแล้วไม่ไลุกมาดีๆก็ไม่เป็นไรถ้าลุกขึ้นมาไม่ดีเยอะไม่ใช่โควิดถึงกัน น, นั่นชาเทศชาิเทไม่ต้องใส่แมะมันะแต่ว่าคนฟังนี้ใส่ได้ <c oughs> คือว่าเป็นครั้งแรก ในการมาในสถานที่ตรงนี้แล้วก็ใหม่สาหรับบุคคลในสถานที่ด้วยยังไม่คุ้นเคยยังไม่สนิทสนมไม่รู้จักใครสิ่งใดที่จะเตรียมก็ไม่ได้เตรียม ในทางในเรื่องที่จะพูดแต่สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาแบบไหนฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังเข้าใจไหม <c oughs> ถ้ามันไปกระทบใจใครที่กระทบแล้วไม่สบายใจก็ต้องอดทนแล้วก็ทนอดแล้วก็เหลืออดเหลือทนเอาให้มันระเบิดเลย อดทนจนระเบิดเคยมีไหมเคยอดทนเคยทนอดเหลืออดเหลือทนเคยไหมวันนี้ถ้าเสียงไปกระทบหูรู้ไปถึงใจถ้ามันไม่ชอบ ก็ต้องอดทนแล้วก็ทนอดถ้ามันเหลืออดดูเถนทำาไงให้มันระเบิดเลยก็มันไม่มีทางออกที่ดีมันก็เลยระเบิดถ้ามันระเบิดแล้ว มันไม่ได้มาระเบิดอีหรอกเอาให้มันรู้แล้วรู้อดไปเลยเหมือนกับมีระเบิดลูกหนึ่งถ้ามันระเบิดเตมูมหมดสมรรถภาพไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วใจของพวกเรานี้ก็เหมือนกันมันเคยโกรธ หรือมันเคยอดทนมันเคยทนอดอย่าไปเหลือมันไว้นะให้มันระเบิดเลยให้มันหมดหมดไปเลยถ้ามันหมดไปแล้วมันมันไม่ได้มาอีกวันนี้มันได้ให้ไม่ได้ให้หลับตา เยียมจึงง่วงนอนลืมกาฟังก็รู้เดินจงกลมก็เป็นได้ก็รู้ได้รู้สมาธิได้นั่งก็รู้เป็นสมาธิได้คือความจริง สมาธิไม่ใช่อยู่ในถ้าในเหวสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นในความจริงความจริงก็คือความถูกต้องเรียกว่าปฏิบัติธรรม ว่าพวกเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเองก็แล้วกันจะได้รู้เป็นธรรมจะได้คิดเป็นธรรมจะได้รู้สึกนึกคิดเป็นธรรมจะได้รู้การเคลื่อนไหวเป็นธรรมฉะนั้น ธรรมะหรือเป็นธรรม่นก็หมายถึงความจริงความจริงก็คือธรรมะธรรมะก็คือความจริงมันมีที่ไหนมันรู้ที่ไหนมันก็รู้ที่ใจของพวกเราทุกค น, นเพราะว่าทุกคนมีใจ เรียก็เป็นพยานตัวเองได้ว่ามีใจมีใจเป็นผู้รู้รู้ศีลก็รู้รู้สมาธิก็รู้รู้ปัญญาก็รู้รู้ถูกก็รู้รู้ผิดก็รู้รู้สุข ก, ก็รู้รู้ทุ ก, ก็รู้ แต่ยังไม่เป็นธรรมนะ <c oughs> เพราะเราหลงไลถ้ามันเป็นถ้ามันรู้สึกมันก็เอาแต่รู้สึกนะแต่ว่าทุกข์มันก็ตามมาไอ้ตรงที่ไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้เลยนะว่าไอ้ตรงที่ไม่สุข ตรงที่ไม่ทุกรู้ที่ไม่ทุกรู้ที่ไม่สุขตรงกลางอยู่ตรงไหนรู้ไหมรู้เป็นทุกก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมัน่นรู้ที่เป็นสุขก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมัน่นเผาตรงไหนยอมรู้ไหม เอาตรงที่ไม่สุขไม่ทุกข์ใครสงสัยถามอะไรเลยนะมองหาคนจะยกมือแสดงบารู้หมดแล้วอืมโยมนี่เก่งเก่งมากๆเพราะว่าประเทศที่อื่นถามว่า โยมปฏิบัติได้ไหมยินดีก็ไม่ใช่ยินร้ายก็ไม่ใช่ไ้ตรงที่ไม่ยินดีกับไม่ยินร้ายมันเดียวกัน ที่มีชีวิตมีในโลกนี่ข้ารู้จักใคยเป็นผู้รู้จักใจเป็นผู้รู้จักปล่อยวางยินดีเสรู้จักปล่อยวางยินรลายเสียรู้เป็นกลางอยู่รู้เป็นธรรมอยู่ ต้องพูดว่าให้ยินดีในสุขมันก็ยังไม่เป็นธรรมให้ยินร้ายในทุกก็ยังไม่เป็นธรรมตรงกลางก็คือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายผู <c oughs> ้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจในที่ตรงนี้ให้มากๆเมืม่อไม่ยินดี <c oughs> ก็ไม่มีเรื่อง เมืเยย่อเปดีหลายก็ไม่มีเรื่องภาวะแห่งคูร่รู้มันเลยเป็นธรรมมันเลยเป็นกลางพอมันมันรู้จักใจมันรู้จักปล่อยรู้จักวางไอตรงที่ มีอยู่ในธาตุรู้หรือผู้รู้นั่นก็คือรู้ไม่รักไม่ชังรู้ไม่โกรธรู้ไม่สุขรู้ไม่ทุกข์ ก, การคูดเป็นธรรมการรู้สึกนึกคิดเป็นธรรมก็คือไม่เอครติไง ไม่ได้เอ็นเอียงไปฝ่ายรักไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายทำู้ไม่ใช่ไปทาอยู่บนฟ้าอากาศนะปฏิบัติที่ผู้รู้ในผู้รู้นี้ยังมีมุมมอง รู้ผิดก็มีรู้ถูกก็มีรู้เป็นพิดเป็นภัยก็คือรู้ผิด <c oughs> รู้แล้วเลือดเนื้อลอนใจจิตใจขุนมัวเศร้าหมองอะไรเขาเรียกว่ารู้ผิดรู้ไม่เป็นธรรม คิดแล้วพูดแล้วทำแล้วคิดแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยได้ความสงบสุขเกี่ยมใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเพราะไม่เอียงไปควายรัก ฝ่ายชังพระพุทธองค์จึงสว่าผู้บำเพนญตะบะพระโยคาวาจอนเจ้าผู้ที่มาประพฤติพรหมจรรย์นี้จงเดินตามทางที่ถูกต้องข้าไปฝ่าย ยินดีคือกามาสุง ข, ขัน้นลิกาโนโยโคโอันนี้เป็นฝ่ายหลักอาตากกียมัทาโนุโยโคโก็เป็นเป็นไปในฝ่ายชังยังไม่กลางยังไม่ถูกยังไม่เป็นธรรมมัชิมะปฏิปทารวมรู้จักไหม มัดจิมะปฏิปัารู้จักภาษ า, าพูดแต่ว่าภาษาภายในใจไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เลยพุ่งส่านลำคาัแม้แต่การปฏิบัติก็ไม่ถูกพระท่านสอนให้ คำใจให้สงบแต่ตัวเองไปทำเกิดความรู้สึกพุ้งส่านลำาคาญุหดหลดลังเลสงสัยมัชิมะปฏิปทารู้จักสวดได้ด้วยพูดได้ด้วย โดยเวลามันมีอยู่ในใจไม่รู้เรื่องทำไม่ได้ทำไม่เป็นทำไม่ถูกไม่ถูกมัชฌิมปฏิปทาไม่ถูกความจริงแต่ก็ไม่เหลือวิสัยถ้าหากยังมีศรัทธาอยู่ ศรัทธาพลังสติพลังสมาธิพลังอันเกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดของพวกเรานี้ก็มีวันหนึ่งต้องรู้ได้เข้าใจได้มันคงไม่โง่ดักดานมันไม่ใช่สอนไม่ได้เพราะมนุษย์มีบารมีอยู่แล้วจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ อย่าไปประเมินตัวเองต่ำเกินไปอย่าไปประเมินตัวเองสูงเกินไปเพราะสิ่งที่เรายังไม่รู้ในโลกนี่ยังอีกเยอะเลยแต่เราจะรู้ได้ในสิ่งที่เราได้อบรมศึกษาเราเรียนหรือมีประสบการณ์เท่านั้นธรรมะของพุณพระองค์นี่มาก พระพุทธองค์ยกตัวอย่างขึ้นมาว่า <c oughs> คือหยิบเอาใบไม้ขึ้นมาเนี่ยกำมือหนึ่งธรรมะที่พระพุทธองค์เอามาแสดงนี่แค่กำมือหนึ่งแต่ธรรมะที่อยู่ในโลกนี่ยนะมากกว่าเหมือนใบไม้ที่พระพุทธองค์กำขึ้นมาแค่กำมือหนึ่งแต่จริงที่ มีอยู่ในโลกมากกว่านี้ตั้งแสนเท่าบาบนี้พระพุทธงไม่ให้เอามากธรรมชาติที่แท้จริงคือนือศพเป็นผู้น้องน้อยที่สุด ดูคนที่รู้น้อยที่สุดมันเข้าดั่ว่ารู้มากยากนานรู้น้อยพลอยลำาขานไม่รู้เลยสงบสุขอันนี้คิดทีหลังนะพิจารณาตัวเองทีหลังวาลากิจของ ข้าโยคาวจรเจ้าผู้เข้าถึงวิมุตมติโมกภาวะแห่งรู้ปิดประตูเลยแปลว่าไม่ทำความรู้ในสภาวะอายตนะธาตุขันเหตุผลในโลกีวิสัยปิดประตูหมดเนื่อ ทันจึงเรียกว่าดับอันนั้นความรู้อีกระดับหนึ่งสาหรับพระอริยะเจ้าจิตท่านไม่ส่งนอกรู้อยู่รู้หยุดรู้สงบสว่างสวัยอยู่ภายใ น, ใ น, นยแต่จิตใจของพวกเรานี่รู้มากรู้ไปทุกอย่าง สุขก็รู้ทุกก็รู้รักก็รู้ชังก็รู้สกปรกขนาดไหนก็รู้แต่ไม่ใช่รู้ว่างนะมันรู้ยึดนะนี่สำคัญข้ารู้่างมันก็ไม่หนักข้ารู้ยึดมันก็หนักคนเป็นภาระธรรมะ พี่หลวงปูป่กูว า, าจานมาแสดงมาเทศ็ดใคณะเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทีโอทีนี่ได้ฟังมากผ่าเดือนละสองครั้งเ็เรียกว่ายี่สิบสี่ ที่สิบสี่องข้าสำเร็จหน้าหมายถึงว่าสถาจ้าโยมเจ้าคณะทีอุทีได้ฟังสำเร็จก็อนุโมทนาสาธุด้วยบัิพุทธแสดงคํามาก มากแต่ว่าผู้ที่เข้าถึงธรรมน้อย ผ, ผู้ที่ฟังผู้ที่ฟังธรรมาก็มากมากนั่งอยู่นี่ก็ามากแต่ผู้เข้าถึงธรรมนี่รู้จะเข้าถึงธรรมไหม เขาเ้าถึงความจริงไหมขออออยู่ไหนเนาะวันนี้ที่ไปแรงงานหลว า, าเราลงรถมาครับผมมีกราบอาราธนาเนมลุลงปู่มาที่นี่ครับที่กราบอาราธนาหลวงปู่มาที่นี่ครับได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ถามว่าไงเอา แมดอกก็พูดครับที่กับอาภานาหลวงปู่มาโปรดญาติโยมที่นี่ครับแล้วก็ได้รับฟังธรรมได้ความเมตตาจากหลวงปู่นะครับก็กำลังกำแรงชี้แจงกำลังชี้แจงก็คงไม่ต่างจากครูบาอาจารย์ที่มา มาพูดมาชี้แจงแสดงให้คณะชาาญาติโยมได้ฟังมาแล้วสมัยครั้งพูดอีการัพระพุทธเจ้าแสดงองค์เดียวเท่านะั้นสำเร็จประโยชน์ก็เลยพูดถึงเรื่องคณะชาาญาติโยม กร า, ร า, า, า, า, ารปราชนาคุายจันมาเทศปีละ24รูปให้ความเห็นเสนอทัศนคติก็ถือว่าได้ฟังมากทีเดียวละ่ะถือว่ามีประสบะการณ์มากเพราะท่านจะคอมเมนต์มาก เรื่อการปฏิบัติจิตภาวนาเหมือนพวกเราปฏิบัติอยู่เรียนนี่แหละมีการให้ทานรักษาศีลนัล่งสมาธิภาวนาเนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่ หมายถึงการแสดงออกทางกายทางวาจาและทางจิตใจถ้าปฏิบัติธรรมจริงก็เป็นธรรมนี่ถ้าปฏิบัติไม่จริงมันก็ไม่เป็นธรรมทำไมถึงพูดดังนั้นถ้าความเข้าใจถูกต้องก็มีไม่ถูกต้องก็มี ผู้เรียนธรรมนี่ก็อันนึงผู้รู้ธรรมนี่ก็อันนึงผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็อันหนึง่งผู้ที่ใจเป็นธรรมก็มันคนละอย่างนะคนคนเดียวจิตใจอันเดียวร่างกายอันเดียวมีใจเท่านั้นแหละเป็น เป็นทั้งผู้เรียนเป็นทั้งผู้รู้เป็นทั้งผู้เทศผู้สแสดงคนของมันก็คือเป็นธรรมพระพุทธองค์ตรัสว่ารูปกายก็เป็นธรรมรูปใจก็เป็นธรรม ธรรมะที่แท้จริงรอยู่ที่กายที่ใจผู้ที่อยากรู้ธรรมะเมื่อปฏิบัติก็จงวัดจิตวัดใจตัวเองนี่ว่ามันรู้เป็นธรรมไหมมันถูกหรือไม่ถูก ม, มันเป็นหรือไม่เป็นภาวะความจริงมีคำตอบอยู่ในนั้น มีคำถามอยู่ในนั้นถ้าใส่ใจตรงนี้กิร <c oughs> ิยาการทั้งหลายของไก่ของไกนี้แสดงถึงความเสื่อมความเจริญคนตอบอยู่ในตัวของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ไปอยู่ในเขาในป่า ก็เพื่อจะศึกษาให้รู้ความจริงในกายในใจของตัวเองผู้ที่อยู่ในบ้านในเมืองที่ราบที่รุ่มเมื่อมาศึกษาเข้าวัดที่กายที่ใจของตัวเองนี้จึงประเมินได้ว่าเป็นธรรมหรือไม่ก็ย่อมรู้ได้ ถ้านั่งสมาธิไปนี่มันไม่สงบมันสงสัยมันเจ็บมันปวดทุกขวเวทนามันเกิดนั่งนานๆก็เก็บเห็นัหมันเกิดขึ้นมา ทุกคนละ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายค้ามันนั่งหนึ่งชั่วโมงไม่เก็บนั่งสามชั่วโมงถ้าสามชั่วโมงยังไม่รู้จักนั่งตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอย่าขยับนะอย่าเคลื่อนที่นะอย่าลุกไปลุกมานะ เอาไว้จะรู้จักอยากรู้จักของกินต้องต้องฝืนนะฝืนจนกว่าจะช น, นะเมื่อฝึกอบรมบมนิสัยนี่ให้เข้มแข็งกล้าเผชิญหนนะ้า กับทุกข์นี่กับเก็บปวดนี่นะกับทุกข์นั่นนสิเลตมันก็จะวิ่งหนีเข้าฝ่าหมดถามยอมผู้หญิงไหมใจถึงไหมกล้าไหมถามตัวเองเลยถ้ากล้าเผชิญหน้ากับทุกข์กับเวทนาสามารถข้ามทุกข์กับเวทนาได้ สำเร็จแล้วข้าหนึ่งผ่านได้เ่อผ่านได้รูกดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับเวทนานี่วิ่งหนีหมดทุกข์นี่วิ่งหนีหมดหายจากไกลได้เลยกล้าสู้เลยยมผู้ยิงละ่ะ เก่งกว่าผู้ชายใจถึงกว่าผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายเนีะ่ะต้องเชื่อมั่น ก, น ก, นกนารกระทำของตัวเองเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้ามั่นใจในธรรมของพระเจ้าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนที่สักคิดแล้วก็มีความจริง ไม่ยังเหลือด็่เรายังไม่ทำเท่านั้นเองถ้าพวกเราทำนี่คาได้พ้นทุกในชาตินี้นี่ดีกว่าดีกว่าวันข้างหน้าเพราะทำให้รู้ความจริง พี่กายที่ใจของตัวเองว่ารูปดับยังไงเวทนาดับยังไงสัญญาดับยังไงส่งขันดับยังไงวิญญาณดับยังไงแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเมื่อรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธาตุขันอาเยตนะ อาสวะก็หลุดไปเองนี่ใมอะไรคืออาสวะกามาสวะพรวาสวะอวิชาชาสวะย่อมปรากฏขึ้นมาแทนที่ใจนี่ใกถึงเลยนะ เป็นการัางใจให้คุณโยมผู้หญิงหรืว่าอาตจะมาเป็นผู้ชายไว้ใจผู้ชายว่ามีหัวใจเหมือนกันก็ต้องเอาเหมือนกันแหละเอาให้มันเป็นตัวอย่างสักคนเหมือนคนจะข้ามแม่น้ำแม่น้ำนี่ กว้างพอสมควรลึกพอสมควรเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้แหละมาเห็นน้ำหนึ่งคิดกลัวกลัวจะจมน้ำตายกลัวจะไม่ไหวถ้ามีใครคนหนึ่ง จะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามคนนี้พอมาถึงข้าน้ำืองน้ำแล้วไหวเลยบอลไหวข้ามได้หนึ่งคนคนที่อยู่เบื้องหลังนี่ต้องอ่ะเขาก็ยังทำได้เราก็ต้องทำได้มันมีแรงจูงใจแรือล่นี่มั น, น, นมนนีเหตุปัจจัยให้ เรากล้าทมกล้าปฏิบัติกล้าละกล้าวางมันไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าความรู้สึกหรือจริงใจจถ้ามันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วคนที่อยู่ฝั่งข้างนี้เห็นเขาข้ามไปได้คนเดียวเป็นผู้หญิงอันนี้ผู้ชายนี่ ขนาดเขาเป็นผู้หญิงยังไปได้เราก็คนหนึ่งมีกำลังเหมือนกันเขาสามารถตัดสินใจลงไปได้เนี่ยใช่ไหมที่แลกไม่มีใครกล้าแต่ถ้ามีคนกล้าข้ามได้ผ่านได้ในที่นี้หมายถึงข้าม ทุกขเวทนาสัญญาสังขันวิญญาณข้ามขันนี้ได้พ้นทุกนะเป็นพระอริยบุคคลเลยนะโสดาบันว <c oughs> างสักกายทิฏฐิวิจิชาวชินเล่าปะตะบรามาดพวกเราฟังบ่อยมากแนละ้วแต่ยังทาไม่ได้ยังทาไม่เป็นยังเข้าไม่ถึง ไปนี่นนนคุบานูน่นนจ้าต่างจังหวัดเลยที่มีชื่อมีเสียงมาเทศในฟังแต่พวกเราก็ยังทำไม่ถึงปุดน้ำสักทีฟังสักที่ครั้งกี่ครั้งก็ยังไม่กล้าเผเชิญหน้ากับไยเหล่านี้จะมีใครสักคนกล้าทำาหกล้าปฏิบัติ มันไม่ตายหรอกไม่ตายจะทำมามากขนาดนอดหลับอดนอนมาทั้งกลาวันงคืนพวกเราอ่านแต่ในโซเชียลประวัติตคูบาอาจารย์พูดที่ท่านไปทุง่งหรือปฏิบัติในป่าในเขาเนอะ เข้าใจว่าเป็นผู้บีพุท ด, ดีปฏิบัติชอบเกิดศรัทธาท่านมีคุณธรรมท่านมีคุณสมบัติท่านเป็นผู้รู้ความจริงพวกเราก็อ่านพวกเราก็ศึกษาแต่พวกเรายังไม่ไปนี่นั้นเป็นคุณธรรมของท่านคุณธรรมของเรามีดีพอไหม มั่นใจในความดีตัวเองไหมว่าตัวเองนี่พร้อมตัวเองต้องเป็นพยานตัวเองได้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยเคยให้ทานนะเคยมีใจเป็นศีล น, นะเคยมีใจเป็นสมาธินะเคยมีใจเป็นปัญญาไหม ถ, ถ้าตัวเองนีก็พูดได้สิ ถ้าไม่มีจะพูดได้ยังไงเนี่ยมันเป็นคำตอบที่เป็นจริงอยู่กับตัวเองอยู่แล้วหาตัวเองปฏิบัติดังเล่สงสัยสพุ่งสั้นลำคาญหงุดหงิดหมาเห่าก็โกรธหมา ลมพัดแรงก็โกรธลมก็เลยทะเลาะ ก, กับอารมไปเรื่อยตลอดซึ่งมันเป็นภาวะเหตุปัจจัยให้ร้อนทำไมถึงร้อนมันอยู่กับกองไฟไงอะไรคือกองไฟภัยอันตรายที่ไม่มีตัวตนมิจฉาทิฐิเป็นการทำลาย ได้มากแล้วก็สูญเสียอย่างอย่างมากทีเดียวคือความเห็นไม่ถูกความจริงเนี่ยกิดความรู้สึกโกรธโกรธก็เป็นไฟโทสะทิไฟคือโทสะเมื่อเกิดขึ้นที่ใจของบุคคลผูใ้ใดแล้ว เลอาร้อนไม่มีทั้งกลางวันกลางคืนเอาออกไม่เป็นวางไม่เป็นปัญญายังไม่รู้จักบ่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักละไฟก็เลยเผาใจตัวเองอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนโรภะโรภะนี่พระอาจารย์หนึ่งท่านเลยวะ โมหะขีไฟคือโมหะหมายถึงรู้หลวงรู้กันแต่ว่าหลวงหลงก็คือไม่จริงเลยถ้ามันมีอยู่ในใจใครแล้วก็ร้อนเหมือนตกนรกเลยร้อนเหมือนอยู่กับไฟทั้งสามกองนี่จะอยู่บ้านใหญ่โตแค่ไหนก็ร้อนร้อนใจร้อนอยู่งั้นเนะ ทั้งกลางวันกลางคืนถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางน้อนตลอดชาติตลอดวันตายลาคคิไฟคือลาคะโภจากคิไฟคือรู้สมหคิไฟคืมาผู้รู้ไว้ว่าถ้าใจใครเป็นอย่างนี้มีอาการอย่างนี้ถือว่าตัวเองอยู่กับไฟก็แล้วกัน อยู่กับไฟไม่มีปัญญาไฟไหมนะถ้าเป็นไฟฟ้าก็ไฟช็อตใจนะอยู่กับงูก็งูกัดนะบุนคคลที่นี้รู้ฉลาดเหนือกว่างูเหนือกว่าไฟไฟก็ไม่ไหม งูก็ไม่กัดฉลาดเวิดไหมถ้ารู้ว่า ง, งูา็จะไปจับให้มันกัดที่จับนี่กูคือยึดไว้ไงมถือไว้ไหถ้าไม่เชื่อก็ไปจับถ้าจับไม่วางมันวกมากัดเลยนะจับหางมันหัวมันก็มากัดี่ จับหัวมันมันก็กัดถ้าไม่เชื่อจะมาก็ไปจับหางสุนัข ก, ก็ได้ถ้าไม่วางแมันกัดอันนั้นไฟนั้นไม่มีฝันแต่ร้อนสิ่งที่ดับไฟ ค, คืออะไรใครรู้จักดับตรงไหน ไฟภายในอันหนึ่งไฟ ภ, ภายนอกอันหนึ่งไฟ ภ, ภายนอกเนี่ยเขารู้จักเอาน้ำดับหรือเอาสารที่ไม่ให้มีเชื้อใอยเป็นคาร์บอนไหมไฟมันไม่ติดลุกลา ม, มแต่หัวใจเรานี่ถ้าไม่รู้จักดับนี่มันก็ไหยตลอดวันตายที่ ตายแล้วยังไม่อีกคณะบริหาร TOT ได้นำครูบาอาจารย์มาเทศมาแสดงให้พวกเราได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นมันก็รู้จักปล่อยรู้จักวางท่าันเอง อย่าไปคิดแบบซื่อบืก็แล้วกันคิดแบบซือบือคิดอย่างไรถ้าวางบทมันก็ไม่ได้กินเท่านั้นแหละไม่ได้ใช้เท่านั้นแหละไม่มีสมบัติให้ลูกให้เมียให้สามีภรรยาละ่ะ มันไม่ได้เกี่ยวก้าันมันคนละเรื่องเพราะสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดทั้งมวลอยู่ยนในโลกนี้ก็มีปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารถ้าเป็นพระก็บว่าอาหารอินทบาทถึงจมู น, นพระแล้วก็ต้องจนกินอยู่นะ ยังเคลื่อนไหวไปมาอยู่ที่อยู่อาศัยหมายถึงบ้านหมายถึงกุฏิถ้าเป็นพระนะก็ต้องอยู่ก็ต้องอาศัยยารักษาโรคเกิดโรคโควิดขึ้นมาก็ต้องมียารักษา ไม่ใช่ธรร ม, มโอษดอย่างเดียวนะยายาโรกภายนอกก็ต้องพึ่งพรอาศัยอยู่เหมือนเครื่องลู้ h หมเหรอแก้ไม่ได้นะปล่อยปล่อยว่างๆไปเลยนะต้องมีเครื่องรู้ h หมอย่าไปคิดว่าบวชเป็นพระแล้วอะไรก็ละหมด เสื้อก็ไม่ใส่กางเกงก็ไม่ใส่รองรูที่ยมเดินไปไม่ถึงกับเดินไปละแก้ผ้าแกผ้ายอยู่เลยช่เลยใครกล้าลองรคิดมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่ีิสัยที่จะทำคนมีฉลาดเขาไม่ทำอย่างนั้นคนมีฉลาดเขาคนมีความฉลาดเขาทำลย เขาต้องเลือกเพื่อนว่าที่จะสบายที่สุดเป็นไปได้สำเร็จได้ไปถึงเป้าหมายได้คืออะไรยมปฏิบัติธรรมย่อมก็้องทำให้มันถูกท่านเรียกว่าธรรมะสัปปายะสัปปายะก็คือ พอดีเหมาะสมกับจริินิดใสัยใจคอของตัวเองตรงสเปคเข้าใจได้ถูกต้องง่ายไม่ขัดไม่ขวางไม่นักมันก็สำเร็จได้เนี่ยถ้ามันตปนไปด้วยความสมัครใจต็นไปได้วยศรัทธาบุคลาจารยะบุคคลที่นิสัยใจคอ ถูกกันเตออหอบมวกไปด้วยกันเข้าใจกันได้ถูกต้องทำอะไรก็สบายเนะขาสำเร็จแล้กวก็สะดวกพูดง่ายๆเ ส, ส, ส, สนาธเสนาชนะสัพปายะที่อยู่นี่ถ้าอยู่ไม่สบายก็มันทำไม่สำเร็จไม่ได้ มันจะดีขนาดไหนกระดับมันขัดข้องใ น, นจิตในใจอยู่นี่งในความรู้สึกนึกคิดมันก็สําเร็จไม่ได้อันนี้โยมต้องเลือกเองอาหารและส ป, ปายะกินลงไปแล้วปวดท้องเป็นโรคไตก็ได้เป็นโรคปอดก็ได้เป็นโรคข้เพาะก็ไ ด, ออได้มันไม่สั ป, ปายะ ยวมจะต้องรู้จักเองพอดีอยู่ตรงไหนนี่ยอย่า ก, กินด้วยความความขี้โลกอยา ก, กินด้วยความโกรธอย่ากินด้วยความหลงถ้ากินตามความอยากไม่สบายแน่ต้อรู้จักความจริงเห็นไหมนี่ถึงจะเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมกับชีวิต จิตใจของพวกเรามันจมเป็นจะต้องพึ่งร่างกายภายนอกนี่ยก็อยู่ที่ความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงมันจึงจะสุกได้อันนี้มันเป็นที่พึ่งภายนอกเหตุปัจจัยที่เกิดที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คื อ, คอเป็นที่พึ่งของกาย แต่ที่พึ่งของใจนี่ไม่ใช่วัตถุมันเป็นนามธรรมใจก็ต้องมีชีพึ่งถ้าได้ที่พึ่งไม่ดีก็เาร้อนเป็นทุกข์เศ ร, ร้าหมองอะไรล่ะเป็นที่พึ่งของใจ นหน้ากหรอกโยมนิดเดียวความสงัดพีเรีถึงวิมุตติโมกย์โยมเข้าถึงอย่างโยมเข้าใจได้ถูกต้องไหมถ้ามีความเป็นธรรมเข้าถึงเองถ้ารู้เป็นธรรมเข้าถึงเองถ้า รู้สึกไม่คิดเป็นกลางหรือเป็นธรรมเข้าถึงจุดนั้นโดยไม่ต้องมีกิริยาอะไรมากสำคัญอยู่ที่ผู้รู้จึงจะเกิดภาวะที่สงบสงัดพีเรกขึ้นภายในจิตใจ จะทำได้ต้องทำบ่อยๆต้องฝึกหัดปฏิบัติให้ใจรู้จักความจริงในทางที่พระพุทธเจ้าสอนทางออกที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็คือการใช้ชีวิตที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานี่ทางนั้นนี่ นักคัดแป ว, ว่าทางทางของใจเมื่อใจเข้าถึงสันติได้ผลก็คือความสงดวิเวกภายในใจอันนี้เขาเรียกว่าสงบภายในสงบววดภายนอกก็คือจิตใจหมดภาละ เขาใจหรือว่าใจหมดภาระใจนี่มันชอบหาเรื่องหาภาระให้ตัวเองอยู่ถ้าเรานี้ไม่ทันนี่เราก็ทำให้ตัวเองเียดร้อนไปถึงวันตายนูนะ่นถ้าเรานี้เท่าเอาทันมันก็เกิดสิ่งที่วิจิตพิดาร เป็นเรื่องอัจฉริยะที่เราคิดไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้มีได้เดี๋ยวนี้ยังยังพลาดไม่ถึงยังหยั่งไม่ถึงเพราะเรายังไม่มียานไม่มีฌานไม่มีเศติธรรมปัญญาธรรมมันก็เลยยังไม่เห็นถ้าเราจะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ไม่ชช่นอนมือไก่น้าภากใครเฉินจะต้อง จะต้องทำจะต้องเคลื่อนไหวจะต้องพูดจะปราศัยอย่างรู้ยิ่งจะเป็นธรรมถ้าไม่รู้ไปพูดก็ไม่เป็นธรรมถ้าไปคิดถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นธรรมถ้าแสดงออกทางกายถ้าไม่รู้จริงมันก็ยังไม่เป็นธรรมเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ห่างกันนะ มันอยู่ในกายในใจโ ย, ยมชัดๆเลยวะเครื่องจะเราดมตาดูสภาวะที่เป็นจริงคือผู้นี้แล้วเขาจะเจอความจริงนี้โอ้ม่าจงเป็นนิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศได้ฟังหรฟังอยู่ในใจเราหนิฟังอยู่ในใจอ่านใจตัวเองให้ออกอ่านกายเต็มให้ออกวันอื่น เข้าใจตัวเองให้ถูกต้องโอเคไหมเดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้ว่าเราเนี่เป็นใครมาจากไหนแต่ว่าความอยากไม่เหลือโน้นอยากพ้นทุกข์แต่ไม่รู้ตัวเองมันจะพ้นไหนไงก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ให้ถูกต้องรู้ตัวเองอ่านตัวเองออกหมดทุกวิจิ ทุกกิริยารู้จักกิริยาไหมกิริยากิตก็เกิดได้กิริยากายก็เกิดได้เราต้องรู้เท่ารู้ทันเพราะรงเหลี่ยงอันเกิดจากการกระทบทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางไก่ทางกายทางใจอยู่ทุกวันทุกเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะเนาที่เราจะปกครองใจผู้รู้ของเราให้เข้าสู่มุมสงบให้ได้ปกครอง จ, จิตใจพวกเรืองให้เข้าถึงความสงัดวิเวกภายในให้ได้อาตมาจึงกล่าวว่าเออผู้พูดทำแสดงทำข้อเยอะแต่ว่าผู้ที่เข้าถึง สัจธรรมอย่างแท้จริงเนี่ยมัม<ะ>นี่น้อยอมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ว่ายมอเอาเปรียบธรรามามากเกินไปแล้วกลายให้จะมาพูดอยู่คนเดียวยยมไม่พูดสักคำเหมือนฟังอย่างไรก็ฟังไปฟังฟังไปมันไม่รู้จะ เป็นยังไงมาโอ้ท่านพูดก็ดีหรอกแต่ว่าเราก็ยังทําไม่ได้แล้วว น, นอยู่ในใจจนพอตัวเองไปทํามันก็ทําไมมันพุ่งซ่านเลยทําไมมันหงนุดหงิเหลือเกินทําไมมันลาคาญเหลือเกินทํายากเหนั่งจหายใจอยู่ด้วยเสียยังก็ยากเลยดิอะไรเราไม่ยากโยม คนมาในโลกเลย อ, อะไรไมันยากเคยจะหาเงินมาใช้ักกล้านหนึ่งก็ยังยากเลยนี้อยากได้ความสุขเกินน้อยเลยถ้าทำไม่ถูกไม่ได้นะอยากได้เงินล้านค่าปฏิบัติไม่ถูกไม่จะเป็นเจ้าของเงินล้านหรอก แลเลยได้ข้อคิดขึ้นมาว่า<ช>คนไรหนึ่งมันอยู่ที่ความรู้ความฉลาดขึ้นไปบนยอดเขาหนึ่งสามารถให้สมบัติเข้าของเงินทองเกิดขึ้นได้ถ้าต้องการแต่คนที่ไม่มีนี่จะอยู่คื้นลาบหรือจะขึ้นไปบนหลังเขาก็ไม่สามารถทำสมบัติโลกให้เกิดขึ้นได้ แม้แต่สมบัติธรรมนี่ก็ เ, เหมือนกันจะอยู่ในบ้านในเมืองที่จเจริญแล้วก็มันสามารถที่จะสร้างที่พึ่งภายในจิตใจของตัวเองได้เหมือนกันขึ้นไปบนเขาก็เท่าเดิมเลยไม่ใช่ามาอยู่พื้นราบไม่สงบเมื่อไปอยู่ในถ้ำในเขาแล้วสงบ ถ้ายังไม่ี้มันจะไปสูบได้ไงถ้าอยู่ร่างอยู่ร่างพื้นลาบนี่มันรู้จักมุกหาเงินได้นี่มีเงินมีทรัพย์สมบัติภายนอกก็ได้จากนั้นวิมทรีโวกสันติเกิดขึ้นได้ที่ใจตัวเองนี่เองบนี้เมื่อคนไม่รู้นี่ คิดว่าความฉลัดพิเศษอยู่ที่ป่าที่เขาขัตัวเองไม่รู้ความจริงมันจะไปหาได้ไงไปไปหาในเหล็กไหลนี่เร่อถ้าไม่มรูร้จักเหล็กไหลนี่เขาว่ามีอยู่ในเขานั้นเขานี้ ไปแล้วมันก็ไม่เห็นจะไปเห็นได้งไงเพราะว่าตัวเองไม่รู้พระพุทธเจ้าชื่อมาที่กายที่ใจเรานี่ย้วนี่ทำมาอยู่นี่อยู่กใกล้ๆเรานี่แหละให้ดูให้ดู น, นี่ดูใจนะดูใจนะอย่าข้ามใจนะเพราะใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญโยมไม่ได้ยินหรอ ได้ยินปากฏว่าเป้าหมายนี่มันข้ามทุกขีทุกทขีเ่าบอกว่าอย่ามองออกข้างนอกอย่าส่งออกข้างนอกให้รู้อยู่ภายในรู้หยูดรู้อยู่รู้สงบอยู่ภายใน คนไม่รู้จักในไม่รู้จักนอกก็เอาเลยทีนี้อถ้ามัวไปรู้อยู่แต่ข้างในมันก็นดเหยียบตายถนนมัถ้าออกไปถนนถ้ามัวจะม ง, งมอยู่กับภายในอา้ามันไม่รู้จักในไม่รู้จักนอกจริงๆนะเนี่ยมมันไม่ปลอดภัยเพราะว่า มันรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเพราะมันจะเกิดอยู่ทุกวาระจิตสิ่งที่มันจะดึงให้เขวจจากความจริงอันนี้ฉะนั้นบุคคลผู้ที่ฝึกฝนอบรมมาปฏิบัติให้จิตของตัวเองสงบแล้วครับ ดับเงิงที่ใจตัวเองแล้วจึงได้ที่พึ่งอยู่ภายในที่พึ่งอันนี้ไม่มียมนี่เขาทำไปเพื่อมีพระพุทธเจ้าสอนว่าทำให้หมดละให้หมดลังให้หมดความรู้บริสุทธิ์จะเกิดขึ้น สภาวะธรรมเป็นอยู่ก็จะเกิดขึ้นจึงได้ที่พึ่งอันปลอดภัยน่ยไหมอันนั้นคือที่พึ่งของใจถ้ายังมีอยู่ก็ยังทุกอยู่อันนี้เข้าใจไม่ได้ย่อมรู้ไม่ได้ทำไม่เปลนด้วยข้าบริจาคปัจจัยสีที่เป็นอามิ หมายถึงวัตถุทานนี่โยมเข้าใจแล้วโยมทำได้แต่สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่อามิตรไม่มีผู้รับโยมให้ไม่เปลี่นสละไม่เปลี่นวางไม่เปลี่นถือจะเป็นบทเรียนใหม่นะโยมฟังวันนี้ จะได้รู้ตัวว่าสิ่งที่ไม่ใช่รูปหรืออามิตรเรายังทาไม่เป็นเรายังเข้าใจไม่ถูกแรงอภัยทานมันไม่ใช่วัตถุอย่างการวางทิฏฐิมานะเสียสละสิ่งที่เป็นค่าจุในใจของเรามันก็ไม่ไม่ใช่วัตถุมันเป็นเป็น มันเป็นนามละ่ะเม่อมีมตัวตนละ่ะแต่มันมันเป็นอาการรู้ได้ในลักษณะนี้ยังไม่มีปัญญาวางเมื่อวางลงก็เบาหเห็นมเมื่อดับลงก็เย็นสบายถ้าใครทำได้รับรองร0อยเอร์เซนได้แน่นอนเย็นแน่นอน สุขแน่นอนว่ามองหามองหาคนมาฟังว่าใครมาฟังบ้างแล้วก็ปฏิบัติไหมฟังเฉยๆเนะี่ยไม่ได้อะไรนะเขาบอกว่าถ้าจัก หายหิวก็ต้องกินอยากเฉยๆถ้าไม่กินก็ไว้หายมันจะเอากันขนาดนั้นไหมถ้าหิวกินเลยอมกินเลยอมไม่ต้องบอกเราก็กินได้นี่กินเป็นถยาโยมนี่หิวข้าวนี่ไม่ต้องให้เมียบอกกินเองได้เลย อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันหิวเนี่ยมันไม่ต้องมีใครมาบอกกินได้เองอิ่มเองอันนี้ก็เหมือนกันโยมเนี่ยเคารพพระยกย่องให้พระมาเทศมาบอกมาสอนว่าพระพูดก็จะเชื่อไล้บ้าง ดีกว่าโยมเท่ากันให้โยมเท่ากันมามาพูดไม่ได้นะไม่ถูกใจนะแต่ที่ยอมให้พระมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเสนอความเห็นให้โยมพิจารณาขระพร ะ, พระที่เราไม่จะทา ก็ไม่สนใจไม่ใยดีเพราะไม่ใช่พระของฉันถ้าเป็นพระ ข, ของฉันฉันจะทำตามฉันจะปฏิบัติข้าของฉันรู้จักไหมฉันนี่คือใครคำใช้แทนตัวเราเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจ พ้าเราสมมติว่ากายใจนี่แหละเป็นเราแับนี้ไปที่ต่อเข้ามานี่ที่เชื่อมที่เชื่อมต่อกับใจของเราขับกายของเราไม่ได้พิจารณานะเนี่เอาเลยรู้เลย สิ่งที่โยมชอบไม่เป็นธรรมก็มีนะโยมไม่ถูกต้องก็มีนะถ้าโยมคิดว่าฉันชอบอะไรฉันเอาอันนั้นถูกไหมถ้าฉันชอบสุกฉันก็เอาสุกถูกไหมถูกไหม ไม่ถูกเกลียเพราะว่าสุขมก็ดีนี่สบายนี่ไม่ได้เอาเอาแล้วน่ะยึดแล้วน่ะอย่าทุกก์ก็ดำมานะนอย่างคนเห็นว่าทองคำนี่มันมีค่ามันดี ฉันก็เอาแต่ในดีนันอ่ะมันมีมันมีทิศมีภัยอยู่คนพานมันอยากได้มันมาค่าเอาทองก็ได้นะทองนั่ดีแน่แหละแต่ถ้าเราเอาไปใช้ไม่เป็นถูกโดนค่าตายนะมันอยากเอาทองตายมันก็เป็นทุกข์เก็บมันก็เป็นทุกข์ ช้เปลี่ยนไหมนี่มีของดีเราใช้ไม่เปลี่ยนไม่ได้นะอันตรายนะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นให้คุณอย่างเดียวถ้าทำให้ใจรู้ถึงความจริงแล้วนี่นนปลอดภัยที่ผุ้ของใจเห็นหรื อ, อยังตามดูไหมที่ฟังอยู่นี่เอาใจตามดูไหม ที่ปลอดภัยก็คือรู้สังัดพิเวกรู้สงบ ร, รู้สิ้น ส, สุดยุติอยู่ภายในความสังัดพิเวกก็เกิดขึ้นจะไม่ลงทุนปฏิบัติบ้างเลยหรือวันนี้พวกเราก็มีกายมีใจพร้อมสมบูรณ สตีปัญญาก็มีพร้อมอยู่ไม่ต้อเชิญก็ได้ถ้าเรานู้นแล้วทำเองเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใครพระมาบอกมาพูดเพราะเราโ ย, ยมคุณเลือกอยู่ด้วยนี่รงไหนทาไม่จะถามไม่ น, นีิมนเลยนะใช่ไหมพระมีเยอะแยะเลยในเมืองเพชร ไม่ต้องไปนิมนต์ถึงสกลนครไม่ต้องไปนิมนต์ถึงเชียงใหม่เชียงรายพะเยาใครโยนเข้าใจถูกกล้องปฏิบัติได้ด้วยโยนในเทศก็ได้เพราะพูดความจริงก็ต้องยอมรับจริงไม่เลือกเดเป็นผู้หญิงพูดก็ได้ถ้าพูดความจริงนะรู้จักความจริงไหม พูดเป็นธรรมคิดเป็นธรรมสแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจเป็นธรรมถ้าพูดความจริงเราเป็นผู้เรียนรู้เราเป็นผู้ทำความเห็นให้ถูกจะใครพูดก่อนแล้วแต่ละถ้ามันเป็นความจริงเราปฏิบัติเราก็เข้าถึงความจริงได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าไม่ประกอบ ด้วยการด้วยเวลาไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งการเดินการยืนนั่งภาวนาก็ได้เดินภาวนาก็ได้ยืนภาวนาก็ได้โยนจิตระเบียบวิธีมากเกินไปถ้านั่งสมาธิก็คือ น, นั่งขัดสมาดมือขวาทับมือซ้ายหลับตา ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันน่นที่ธีนะการที่ไปเดินมันไม่เป็นิ่งเหมือนงดเดินมันก็มีการเคลื่อนไหวใจก็สามารถสงบจากบาปได้ฉะนั้นกระบวนการการเคลื่อนไหวหรือการแสดงออกท่านไม่ได้ห้ามหรอกไม่ได้ห้าม ไม่ได้ห้ามรู้ด้วยคุณจะเดินอยู่คุณก็รู้ได้เนี่ยคุณจะนั่งอยู่คุณก็รู้ได้คุณจะนอนอยู่ก็รู้ได้แต่ในกรณีอย่างพวกเราเนี่มันยังรู้ไม่ถึงอา้าวมันยังไม่รู้ไม่จริงก็ไม่ถึงถ้ารู้จริงมันก็ถึง เราจะเป็นคนจริงหรือจะเป็นคนหลอแหละหรือจะเป็นคนล้มเหลวธรรมะคือความจริงใจจริงกายจริงว่าจาหรือเราจะเป็นบุคคลที่ล้มเหลวล้มละลายก็เป็นเรื่องของตัวเองที่จะทำชีวิตนี้จะล้มละลายไม่เข้าท่ามันก็อยู่ที่เราองโอ้ ไม่ได้ยินหรือพูดให้ฟังเนระาจะสมหวังถึงมักถึงขนถึงความ้นทุกข์มันก็อยู่ที่เราเลยมันไม่ได้คาอยู่นะถ้าเรารู้จักจริงอย่าไปช้าเลยรีบทำเลยรีบปฏิบัติวันนี้เลยวินาทีนี้เลยก่อนที่จะหมดโอกาส เวลาที่มันผ่านมาหนี่มากจนอายุ 30-40-50 สี่เรามองดูแถวนี้ก็อาจจะ60แล้วก็มีเจ็ดสิแล้วก็มีดูหน้าตาหนุ่มชักเกีเหี่ยวๆไปแล้ว <laughs> มันยังเหลียนน้อยเไม่ใช่เหลียนมากเลยใครยังขึ้นชะลาใจหนี่ ผิดหวังแน่นอนนะเอ้าคนที่เทศได้หรือยังปฏิบัติหรือยังยังไม่รู้จักอาตมาเนี่ชื่อก็ยังไม่รู้จักแท้ก็ยังไม่รู้จักมีพุติกรรมยังไงมีข้อวัดปฏิบัติยังไงทํามาได้ยังไง จะไม่คุยม้วย่วโยมฝังอย่างเดียวก็คืออยากให้โยมทำเองอาจะมาทำอาจะมาก็รู้เองโยมยังไม่ทำแล้วก็ยังคิดเรื่ถยไปอีกว่าโยมยังไม่จะททำถึงระดับนั้นหรอก ะระดับที่อาจจะมาทามาเนีเพราะว่าถ้าพูดเรื่องของตัวเองเหมือนจะโฆจนาตัวเองหรือโผล่หมดตัวเองเกินไปก็ไม่อยากจะพูดทำไรการใช้ชีวิตเป็นนักบวชตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบมันก็เหมือนกับเยนเหมือนกับเยนแล้วก็มีท้งผิด มัก็มีทั้งถูกมัก็มีทั้งสุขมัก็มีทั้งทุกข์ล้มลุกคุกคันทุกข์น้อย ก, ก็เจอทุกข์มากมากก็เจอนะสุขน้อยก็เกิดทุกข์สุขมากๆก็เจ อ, กกเจอแต่คิดว่าพวกเราก็เจอมุกกันแนะ่ะแต่ว่า เจอน้อยๆไม่ได้เจอมากๆแม้แต่การกระทํานี่นั่งสมาธินี่<ม>ก็สู้ได้เหมือนกันนะสู้ได้ที่เราเห็นอยู่นี่แต่ถ้าจะเอาชีวิตเขาแลกเลยนี่ไม่ถูกว่ายัางไม่ได้ น, นั่นนียังไม่มีถ้าจะให้นั่งสมาธิ ตลอดคืนทุกวันทุกวั น, ก, วนกลางวันก็นั่งสมาธิกลางคืนก็นั่งสมาธิยังมองไม่เห็นเลยนี่เพราะว่ารัตสมีทมันไม่ขึ้นมองๆไปเห็นแต่รัตสมีคีมเอาเอาคีมแางๆมาทาน ไปไปที่โรงพยาบาลมาคราวนี้มารักษาตามารักษาฝันมารักษาไม่ใช่ไม่ใช่เรารลอกไห่มาให้หมอดูให้หมอตรวจจุลาจุลาแล้วก็ลามาแล้วก็ลีลาด แล้วก็รัฐนายรัฐนินชผู้ผิดไปมาถ่ายรูปอีกหรอเขาให้ฟังคำฟังนี่ไม่ใช่ฟังเฉยเฉยย โยมถ้าโยมสนใจโยมพิจารณาไปด้วยสิมันจะได้เข้าใจนครับฟังเฉยๆฟังแล้วก็แล้วไปไม่เกิดประโยชน์เลยในการมานั่งฟังเข้าใจว่าทุกคนไม่ใช่อยู่ที่นี้ทั้งหมดอย่างน้อยก็นั่งรถมาเลยเสียเวลามานั่งฟังอยู่นี้อีกเสียค่าน้ํามันรถอีก ถ้ามันเกิดประโยชน์อะไรเลยนี่โอ้มาจองมาหรอกเราวมาเดี๋ยวนี้เพื่อประโยชน์แม้แต่จะมามาจากจากกรนครมานี่ก็มาพูดให้มันเกิดประโยชน์นั่นนี่คือยังพอมีหวังว่าชีวิตของมนุษย์เราหนี่คนคนใจบุญก็ยังมีอยู่ แล้วคนใจบาปก็เยอะต้ะวังยากทุกคนนีพวกเราไปที่ไหนก็ระมัดระวังหมดลเลยรวมไปถึงพระด้วยข้าไม่ศรัทธาไม่ยินดีไม่มีมนุ์ไม่ถวายด้วยถ้าศรัทธาถ้ายินดีเออก็ถวายมาก่อยมานี้อาจจมามานี่ไม่ได้หวัง วยโยมต้องติดกันเทศมากๆได่หวังเลยหวังอะไรโยมขอให้โยมมีความมีความเข้าใจพ้นทุกข์ไม่ได้าามากก็จำได้คนเดียวพอใจไม่ไม่เอาเยอะ เอาเยอะเขาจะบอกว่าคิโลนี่นั่งอยู่ น, นี้ <c oughs> บ้างมีสักคนที่จะได้สติปัญญาธรรมนี้ ไม่เอาคุณก็ไม่เอา <c oughs> หมอเขาผ่าผ่าตัดก้นมาวันสองวันยังไม่ได้ตัดไหมพอมานั่งทับมือเลยเปลี่ยนท่านั่งให้มันสบายสบาย มาถึงวัดแล้วโยมก็ยังไปนั่งสมาธิอยู่ด้วยทุกวันทุกวันวันละสามชั่วโมงไอ้ยงมันเก็บด้ว <c oughs> ยเลยนะยมจะบอกว่าไม่เก็บไม่เก็บไม่ใช่ของเราเอา๋อ <c oughs> มันไม่ใช่หรอกความหมายไมธเจ้าจมันนั่พูดอย่างนั้น <c oughs> ถ้าเข้าใจไม่ดูก็ทำความเข้าใจใหม่ซะมันจะได้ถูกคึงมีชีวิตเขามีการวิวัฒนาการหรือการปรับสมดุลอยู่ทุกกระบวนการทั้งร่างกายและจิตใจใรรูปวัฒนะปัชโมจิตคือปรับสมดุลให้มันเรียบร้อย ให้มันสรบสุขนั่นเองนั่งนานๆมันเก็บก็เปลี่ยนท่าแน่เลยเดินนานๆมันเหนื่นอยก็มาแน่อุ้หหนรู้จักอยู่อะไรที่มันทำแล้วมันเป็นโทษมันก็รู้จักสิจะไม่รู้จักเยอะไรทําแล้ว มันมีความสุขความเย็นมันก็รู้จักไม่ใช่ไม่รู้จักไม่จำเป็นต้องมีคนอื่นมานำหรอกทนอย่างนี้ไปประโยชน์ก็คือชีวิตตัวเองนั่นแะเป็นคุณธรรมโดยสมบูรณ์แบบถ้าได้นี้ก็ดีสิมันเป็นการยกระดับ ภูมิจิตภูมิใจของเราขึ้นสู่ภูมิธรรมไมได้ปล่อยให้ชีวิตล่มจมเสียหายหรวิบัติการทิตมันเล่งอย่างนี้หละมันสงบจากบาปไปอีกเยอะอยู่นี่ถ้าจีตเราสงบสงบจากบาปหนึ่งวันก็ดีว่ะ ชีวิตเรามีค่านึงวันนึถ้าเราอยู่อย่างเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์นี่นาทีเดียวก็ยังไม่อยากเป็นเมื่อจิตเข้าถึงธรรมะนนี้แล้วนี่คือความสงบระงับนี่เยเย็นกายเย็นใจถ้าเราทำได้ชีวิตที่ยังเหลือนี่ไปถึงวันหมดโอกาสเราจะมี คุณธรรมในใจของเรานี่ยในใจเหหราเราทาก็เป็นของเราใครจะมาเอาก็ไม่ได้จนมาเอาก็ไม่ได้หรือผู้มีไม่มีอานาจใดที่จะมาเอาของเราได้เนียดคนที่ได้สมบัติอันประเสริฐนี้ ถือ่าเป็นบุคคลที่โชคดีเราจะให้ตัวเองเป็นคนโชคดีหรือจะให้ตัวเองเป็นผู้ผิดลังอยู่ทั้งชาติก็ตัดสินใจเองได้เลยอาจมาก็อยากสนับสนุนหยุดเลยยนหยุดอย่า <c oughs> ไปทุกข์ไปร้อนอะไรมากรีบเกลียยย้ยงหนูหนอย่าช้ารีบ ตบไปเรี่ยมันยังทำไม่ได้เจ้าขาไม่เป็นไรทำเลยเถอะให้ให้กำเนินใจมายุ่ยงให้ว่าวางอันทีนมน่มันร้อนมันจะถูกนะห้โยนวางได้สบายจริงๆริมันก็ยังยันอยู่ว่ายังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ ถ้าดิฉันมาทำนะโอ้ไม่รู้มันเป็นยังไงมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่ทุกข์เออผมก็ไปยึดเอาทุกข์มก็ได้ทุกข์หรืบวกเขาบอกให้วางไม่ได้ยินของมึงได้ยินแต่มันทำไม่ได้ไม่เป็นไรยังทำอยู่ทำต่อไปวันหนึ่งมันต้องทำได้ไม่เพราะว่ ถ้าเราทำไม่หยุดต้องทำได้ถ้าเรายังก้าวอยู่นะเหมือนจะมาที่นี่แหละถ้าเรายังก้าวขาอยู่ก็ต้องมีวิธี ม, มีวันถึงมีเวลาถึงการปฏิบัติธรรมจะถึงความสำเร็วิเวกถ้าเรายังทำอยู่มันก้าถึง บุคคลที่มีควา ม, มรู้ความเข้าใจในการเดินทางมันนั่งรถมานะมนไม่เดินมานอะมก็ถึงไวสิอย่าไปงกเล่นเรินอย่างเดียวแบบเข้าใจพวกเรามานิ่นตรงนั่งรถมานะน่นนี่มาถึงสถานที่นี้จะมาปฏิบัติธรรมที่นี้ ย้อก็ทำแล้วไม่เห็นดูทานก็ทำลงไปแล้วสิ่ก็มีอยู่ที่ใจแล้วเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปเบียดเบียนวางใจให้เป็นความรู้บริสุทธิ์ไม่ก็ได้ทับ <c oughs> ไม่ใช่ชิดจะไปทำอยู่บนภูเขาหรอกแถนยังมีมวนพระมาเทศ มาฉันอยู่วบันนี้อาจจะมาม า, มาบอกอู้จะด่าโยมหรือเปล่าเนาะเขาไมบอกยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องมาเจอกันใหม่จะพึ่งด่าเลย <c oughs> ยังว่าก็โง่ไปก่อน <c oughs> โอ้โหออกไปจนมันหลงกลทุกอนมามามาทไมจีจี้จะเขียนเลยมดแล้วมันไม่ดีนะไม่ไม่ใช่เขียนให้ให้ชั่วนะเขียนให้ดีวะยอมไม่เขียนเลยยุ พอถึงเวลานั้นมันจะได้ดีต้องเอาจริงหน่อยบอกยังไงก็ไม่วางบอกยังไงก็ไม่หยุดเชี่ยนมันสโลยูหมดถ้าถูกเชี่ยนก็เอาหน่อนี่ทำได้คุณสมบัติอนของผู้ปฏิบัติอย่ากโกรธหลวงพ่อนะ อย่ากโกรธอาจารย์นะเพราะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์อยากจะให้รู้อยากจะให้ดีอยากจะให้บริสุทธิ์วันนี้โ อ, อ้ยยงไว้ก่อนว่าจะถูกจะผิดยังไงให้อภัยได้เสมอไม่ว่ากันถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานก็แล้วกัน เมื่อถึงขั้นเข้มข้นสิ่งที่ยังไม่มีนีความมุ่งไปสประการมีวิธีการที่จะให้ลูกสิษ์หรือผู้ปฏิบัติทำได้ย้นมาดูจกักถาม ก็าหาวิธีให้โยมถามหน่อยโยมที่ยังไม่รู้จักคิดก็จะหาวิธีให้โยมนี้จักคิดได้ทำไมถึงทำได้ก็เข า, อาบอกว่ามีอด้อุบายให้ทำล้วก็ต้องทำพวกเราไม่ได้ ไม่ใช่ง้ดักดานมันทำได้อยู่เมื่อทำได้คนมันก็เกิดขึ้นมาได้แค่ความเห็นผิดเปลี่ยนมาเป็นความเห็นถูกมันก็เปลี่ยนไม่มืดกับสว่างข้าไม่รู้มันก็เหมือนมืด ถ้าทำให้รู้แล้วก็เมืนสบัางมันไม่ไกลหรอกง่ายแต่ว่ามึงผู้ปิดประเด็นให้เท่านั้นเองพวกเราคิดยังไม่ได้เอาทำไมไม่เอาให้ดิฉันสำเร็จวันนี้เลยอย่าอย่าอย่าพิ่งสำเร็จหรืออันนั้นมันมันขี้ลบ ก, กันไปแล้ว มันยังไม่ลงทุนอะไรเลยมี่หนะคนยังไม่ลงทุนอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยมันเฉลี่ยมันไม่มีหรอกเี่วกความธุรกิจเป็นทุนกเิเป็นบริษัทอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีการลงทุนเมื่อทำธุรกิจเสร็จในรอะปีเนี่ยเขาจะประเมิน ประเมินว่าได้กำไรหรือขาดทุนแต่พวกเรานี่ถ้ามาปฏิบัติทำตรงนี้ถ้าเราตั้งใจไว้ชอบมันก็ได้ประโยชน์อย่างเดียวเลยเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะไปทางใครทางมันรู้ได้อะตรมานี่ยทุ่งได้มาเนี่แหละ ครั้งเดียวแล้วก็หม่ด้วยเหมือนะอนาคตไม่แน่เชื่อว่าที่นั่งอยู่ในนี้ยังไม่มียานไม่มีฌานยังรู้อนาคตจะเป็นจัดตายจัดลายจะดีจะเหต จะเกิดเหตุไร้เหตุดวนเป็นไปในรูปแบบยังไงก็ยังไม่รู้เรื่องนะเพราะยังไม่มียานไม่มีฉานจึงเรียกว่าอยู่อย่างมืดอยู่อย่างมืดไปอย่างมืดมาอย่างมืดถ้ารู้แล้วเรียกว่าอยู่อย่างสว่างไปอย่างสว่างมาอย่างสว่างอันนี้ เปรียบเทียบของจริงที่ใจของพวกเราวันนี้อดีตก็ยังไม่ถึงอีกนะถ้าใครยังถึงก็ต้องขออภัยเคยเป็นสัตว์มาไหมเคยตกนรกมาไหมเคยอยู่เมืองสวรรค์มาไหมเคยเป็น ดูไหมพมโลกมาไหมเราเองคงยังนี่ยังไม่ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังย่งไม่ถึงว่าคุณจิตปรุงใจหรือสภาวะผู้รู้ของเราเนี่ย อยู่ในฐานะที่ปลอดภัยไหมยังไม่เข้าใจ น, นั่นหรืออยู่ในภาวะที่อันตรายถ้ารู้จริงรู้บริสุทธิ์จ้งมั่นใจถ้าเรามีดีมีคุณธรรมอันวิเศษมันพง ใ, ใจใน ย, ยม มันพ้นทุกข์ตัวเดียวนี่แหละหนูเดียวนี่เลยเข้าใจถูกก้าเดียวนี่เลยมันมันเจนไปได้ไม่เจนเป็นไม่ใช่ตายแล้วึงจะรู้นะปัจจุบันนี่แหละสามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้ถ้าไม่ทิ้งโอกาสให้ลอยไปแต่ละวันละวันชีวิตเรานี่ค ไปหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีบางทีเท่าปียังไม่ได้สร้างคุณสมบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเองคุณสมบัติในที่นี้หมายถึงคุณธรมสมบัติภายในเ้าเรียกว่าอริยทรัพย์ถ้าคนนี้ก็ต้องรู้จัก มีสินในใจก็ต้องรู้จักมีสติธรรมปัญญาธรรมก็รู้จักรู้จักจากการการแสดงออกมีควารมรู้สึกมกคิดเป็นบุญเปนกุศลสงบเลือกเกณนก็ตัวเองแหละจะเป็นคนรู้นู้่ เรามีสภาวะอย่างนี้ที่ใจของเราอยู่แล้วการฟังวันนี้อาจจะได้อะไรดีๆเพิ่มเข้าไปอีกอถ้าฟังไม่เป็นก็ไม่ได้ไม่ได้อประโยชน์จากการฟังเลยเข้าใจว่าทุกคนนี่ มาในสถานที่นี้เพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในทางพุทธศาสนาพุทธศาสนาที่แท้จริงคือพระพุทธองค์สอนลงที่กายที่ใจของมนุษย์เพราะเราก็เป็นมนุษย์ที่เข้าใจได้สิ่งที่ทําได้แล้วก็มีสิ่งที่ทํายังยังไม่ได้กําลังทําอยู่ก็มี สิ่งที่ทำสำเร็จลงไปแล้วก็มีสิ่งที่ยังไม่สำเร็จก็มีอันนี้อามาเราเอ า, เอานะแต่ขอแสดงความดีใจกับสิ่งที่ทำได้แล้วสำเร็จแล้วจึงกล่าวว่าขออนุมัอะนุโมทนาสาธุกับทายาดโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาแล้ว แต่จะรู้สึกไม่สบายใจด้วยที่ญาติธรรมอยู่ในฐานะที่ล่จมจมเู็จากล่มจมไหมตกอยู่ในภาวะมืดตกอยู่ในภพภูมิที่เลวสถานะที่ตำ่ำผู้ขุดกับ เรืออินโดนีเซียมันชาวนี่มันจะรู้สึกตื่นตัวได้เขามาจากอินโดนีเซียทขา่าปฏิบัติธรรมอยู่นี่พูดกับเขาไม่มีไม่นานนังคุยเราบอกว่ามา น, นี่คำเฮีย บอกว่าเข้ามานั่งใกล้ๆนี่อยู่ชิดเนี่ยมานั่งใกล้ๆก็ถามถามให้มันรู้จักคิดถามให้มันระลึกขึ้นมาได้คือคนเรามันมีมันมีเวลาไม่ได้คิดมันเผลอไปเราก็หาวิธี ให้จิตเขาให้เขาได้ระลึกขึ้นมาได้เขาค่อยใจในระดับหนึ่งเขาดีใจนะั่นที่เขาได้พูดกับเราระยะสั้นๆถ้าจะพูดถึงว่าดีใจขนาดไหนแทบจะลอยก็ว่าได้มาันี้ จะมาพูดกับโยมไม่รู้จักหมดทุกคนคนรู้จักก็มีตั้งใจมาคิดจกให้โยมได้สะดับรับฟังจริงๆได้รู้ได้เข้าใจด้วยเจตนาอันดีไม่มีคิดร้ายไม่ได้มาคิดติมกุง โยมฟังก็งรู้อาจะมาจะต้มกุนอยู่ั้ยจะต้นกุนเอาอะไรล่ะก็เห็นมีอะไรที่จะเอาเลยอยู่นขนนเ่งนั่งฟังกันนะบางทีพูดตรงไปมันจะไปกระทบใครก็ต้องขออาภายัยถ้าใครเอาประโยชน์ได้ก็สาธุนี ถ้าใครไม่สนใจใหญ่ดีก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เอาอะไรมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนที่จะได้จะถึงแต่เจตนาในการไปกันมาก็คือมาด้วยความเป็นธรรม ไม่ได้คิดจะมาเบียดเบียนไม่ได้คิดจะมาต้มมาตุนไม่ได้คิดจะมาหลอกมาลวงเพราะเห็นว่าไม่รู้จะมาต้มอะไรจะมาหลอกอะไรจะมาเอาอะไรจากโกมแค่โยนมีร่างร่างกายอันนี้ก็ทุกข์พออยู่เลยแล้ว ให้นั่งชั่วโมงหนึงมัน <c oughs> ก็ทุกอยู่แล้วถ้าให้นั่งสามชั่วโม ง, งมันก็โอ้เกินไปเกินไปคนมาเขาเคยนั่งมาสามชั่วโมงอยากจักมันไม่ยากหรอกถ้าทําความเห็นให้ถูกมันเป็นดูนเป็นกุศลสําหรับเราด้วยมันเป็นคุณธรรมความดีอันยิ่งสําหรับเราด้วย มันไม่ต้องถอยล่ะถ้ามันเห็นว่าเป็นของดีของวระเสริฐแต่อันนี้มันยังเห็นว่าเป็นทุกข์อยู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ทำให้ทุกข์เลยครัทำให้มันพ้นทุกข์นะฉะนั้นใจของเรามีต้องเอาให้มันรอบครอบเลยลเลยเลยให้มันเป็นไปนได้ สิ่งที่มันเป็นไปได้จริ ง, งถึงจิตเราลงสู่ความสง บ, บแค่ช้างพับหูงูแรบลินน้นก็ถึงว่าเป็นสมบัติของเรามล้ก็เหมือนกับเราอยู่ในภาวะที่เราอนถ้าได้ ความเย็นกายเย็นใจเสีย่ยววนาะวินาทียังดีกว่าเล่าร้อนอยู่ตลอดเขาเป็นลักษณะเดียวกันบางครั้งเราไม่เข้าใจเลยว่าเรากำลังอยู่ในตกอยู่ในภาวะที่ที่มัวที่เมาที่นุ่มที่หลงเอาอะไรก็เป็นโทษทั้งนั้นแหละ เมารักเมาเกลียดเมาชังเมาเมาในสิ่งที่ไร้สาระเมาที่ไม่เป็นธรรมะแก่นสารมันไม่ได้ประโยชน์ที่เราจะพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าใจเป็นธรรมะอย่างแท้จริงหรือบริสุทธิ์ใจแล้วนี่ เราก็จะภาคภูมิใจเราก็จะได้สมบัติอันประเสริฐคือมันรู้ขั้นที่ใจเป็นที่ใจมันพ้นภพนั่นเองจึงเรียกว่าประเสริฐแต่พวกเราละเลยละโดยเกินไปจนไม่มีโอกาสได้ทำจนไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติ ชีวิตสัตว์ทั้งหลายที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่ในโลกปรับฉนบุญเพื่อจะให้อยู่อย่างมีความสุขแต่มันก็กระทบกับโคกอยู่เพราะว่าแลงเหลี่ยงของธรรมชาติมันมันทำให้ซัดเศมันทำให้ผิดเป้าหมายและอีกประเด็นหนึ่งคือความเข้าใจไม่ถูก เหมือนกับคำว่าเราปฏิบัติละวางเต็มที่แต่ประยุทธ์เต็มที่อันนี้บางทีมันก็ไม่รู้มะนี่สิ่งที่เราไม่รู้พรานุขวาอาจารย์ให้ข้อคิดให้พิจารณา มันก็ง่ายขึ้นกว่าที่เราทำเองคิดเองนะมันก็เป็นผลอยู่ไม่ใช่ไม่เป็นผลในกำหนดการปกติเขาบอกเราว่าใช้เวลาพูดประมาณทักชั่วโมงเรื่องที่จะพูดอะไรก็แล้วแต่หลวงพวันนี้ก็ เห็นว่าสมควรเก็บเวลาในการพูดดึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็ไม่ต้องลงสาธุครับกราบขอพระคุณหลวงปู่ชดีธรรมัตรโรมิญญากงฆงนะครับเดี๋ยวเระมิตาธรรมยังไม่ได้ให้โอกาส บุคคลที่สงสัยมีท่านใดสงสัยในข้อถัรไหมครับที่จะต้องถามที่จะถามที่จะปูนะครับยังสงสัยในคำพูดที่เทศที่แสดงมาให้โอกาสได้ถาม ได้ปรึกษาสนธนาขอโอากาสเออหลวงพ่อค่ะจะเรียนทำโชคดังให้หน่อยนะทำอย่างไรถึงจะเข้าใจตนเองนะคะ อ, อ, อย่างไรตจะเข้าใจตนเองด้าโ อ, อ้ทำงไงถึงจะเข้าใจตัวเองวะนะไปดึงหูดูดิ เขาจะเข้าใจไหมจะดึงหูดูที่ว่าเขาจะรู้ไหมไ ม, มันมีหลอยู่ถ้าอารมณ์มากระทบมันก็รู้สึกปวดมันก็รู้สึกดนดีมันก็รู้สึกทำยังไงถึงจะเข้าใจตัวเองทางออกที่ถูกต้องก็คือ เราทาอยู่แล้วให้ทานรักษาฉินภาวนานี่หาทางออกชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่มีฐานมีฉินมีภาวนาใหญ่กว่าทุกอย่างยิ่งกว่าทุกอย่างรู้ไหมว่าตัวเองทาแล้วเหลือง แล้วว่าเรามีใจเราเป็นศีลใจเราเป็นสมาธิใจเราเป็นญาณรู้ได้ไหมก็รู้ได้สิคำตอบมันอยู่นี่อยู่แล้วมันนี่อยู่ในตัวมันอยู่แล้วถามแค่ประโยคเดียวถามว คนจะถามเลยบะมันต้องเกลงใจหรอกเรามาวันนี้เพื่อพวกเราทั้งหมดครับมีมีใครจะถามไหมครับแต่ก่ <laughs> อนเรื่องบาจจะยังไม่อาจจะยังไม่รู้อธิมานี่มาอยู่ วัดสปปะทุมพูดแต่เช้าจนถึงสามทุ่มทุกวันทุกวันพูดสองชั่วโมงมันน้อยสำหรับเราไปแต่ว่าเห็นว่าสมควรเก่เวลาเพราะว่าคนมีหน้าที่